พรีประนอมยอมทำการประชุมปรึกษาหารือกันในงานใดก็ตามไม่ว่าฝ่ายฆรวาสหรือภิกษุสงฆ์เป็นธรรมดาที่มักมีทางเลือกที่เหมาะสมอยู่หลายทาง การตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งจำต้องประกอบด้วยเหตุผลอันแน่นหนาและเป็นธรรมหลายครั้งหลายคราที่ต้องรู้จักประนีประนอมยอมกันระหว่างทางเลือกหลายแบบให้เป็นที่ลงใจและเกิดประโยชน์โดยรวมร่วมกันสูงสุดเกิดการกระทบกระเทือนทางความคิดเห็นน้อยที่สุด เรื่องเหล่านี้เป็นที่ ท, ทราบกันในหมู่สมาชิกที่เคยร่วมประชุมกันทั้งฝ่ายสงฆ์และครวาดว่าครั้งเมื่อท่านเข้าร่วมประชุมด้วยท่านเคยทําหน้าที่ทั้งซักถามทั้งวินิจฉัยพิจารณาและเสนอการตัดสินใจให้ผู้ร่วมประชุมได้คัดค้างหรือลงมติอย่างเข้มข้น ตามอุปนิสัยจริงจังของท่านและผลปรากฏเสมอเสมอว่าที่ประชุมร่วมลงมติยอมรับการตัดสินทางเรื่องนั้นๆชนิดอุ่นหนาฝาข้างเป็นที่พอใจกันทั่วนหน้าดังเช่นครั้งหนึ่งมีการประชุมกันที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี ครั้งนั้นเป็นระยะที่เจ้าคุณธรรมเจดีพระอุปชาของท่านมรณภาพแล้วที่ประชุมมีเรื่องปรึกษาปรารถเกี่ยวกับบริขารเครื่องใช้ของเจ้าคุณธรรมเจดีผู้ร่วมประชุมมีทั้งเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดพระเถระหลายรูปฝ่ายคารวะก็มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเข้าร่วมประชุมด้วยประชุมอยู่ถึงสองวันก็ไม่สามารถจะหาข้อตกลงที่เหมาะสมได้จึงเป็นที่หนักอกหนักใจแกกรรมการผู้เข้าร่วมพิจารณาไม่น้อยทีเดียวเหมือนไฟอยู่ในอกเพราะหาจุดตัดสินไม่ได้ แต่การเวลาล่วงเลยไปมากแล้วเกรงจะไม่ทันการด้วยเหตุนี้เองท่านเจ้าคณะจังหวัดอุตสาห์เขียนจดหมายด่วนให้เนนเดินทางมาส่งถวายท่านถึงวัดป่าบ้านตากเพราะสมัยนั้นรถราไม่มีจดหมายนั้นมีใจความสำคัญว่า ขอนิมนท่านอาจารย์ไปดับไฟที่วัดโพให้ด้วยมองเห็นแต่ท่านอาจารย์องค์เดียวเท่านั้นขอนิมนไปโดยด่วนหลังจากอ่านจนหมายฉบับนี้แล้วท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจ คณะผู้ร่วมประชุมเป็นอันมากทั้งวัดนี้และเรื่องที่ประชุมอยู่นี้ก็เป็นเรื่องของพระอุปชาอาจารย์ของท่านเองด้วยทั้งพระสงฆ์คารวะผู้เข้าร่วมประชุมก็ล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายที่ดีที่จะทำให้งานบรรลุผลสำเร็จด้วยเพราะต่างก็เป็นลูกศิษย์ลูกหา ของเจ้าคุณธรรมเจดีด้วยกันทั้งนั้นท่านจึงสะพายบาตรออกเดินจากวัดป่าบ้านตาสลัดไปทางสนามบินจนถึงชาญเมืองอุดรธานีจึงมีสามล้อให้ขึ้นต่อไปได้พระคู่เข้าร่วมประชุมคราวนั้นกล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งนั้น อย่างถึงใจในความเด็ดของท่านว่าเมื่อท่านไปถึงที่ประชุมท่านก็เริ่มไล่ซักถามเรื่องราวต่างๆอย่างละเอียดทีท่วนทุกแง่ทุกมุมจนจบครบถ้วนและตอบโต้ในจุดแห่งปัญหาต่างๆด้วยเหตุผล จนผู้สักถามเป็นที่ลงใจหมดข้อสงสัยใดๆอีกต่อไปโดยประการทั้งปวงใช้เวลาทั้งสิ้นเพียง45นาทีเท่านั้นในตอนท้ายก่อนจบการประชุมท่านกล่าวต่อที่ประชุมว่าใครมีข้อพิจารณาคัดค้านในจุดเหล่านี้บ้างหรือไม่อย่างไรปรากฏว่า ไม่มีใครค้านแต่อย่างใดทั้งฝ่ายสงฆ์และฆราวาสต่างตกลงเห็นดีเห็นงามและพร้อมกันเซนรับรองข้อยุตินั้นร่วมกันด้วยความเรียบร้อยและขอให้ท่านร่วมเซ็นชื่อเป็นเกียรติด้วยแต่ท่านก็ไม่ได้เซนชื่อแต่อย่างใดในเรื่องนี้ท่านให้เหตุผลว่า เราไม่ได้มาเพื่อการลงเอาชื่อแต่มาเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่างหากเมื่อวาระสงบเรียบร้อยเราก็พอใจแล้วด้วยอุปนิสัยของท่านที่มีเหตุมีผลและมีความจริงจังเด็ดขาด ไม่วันเพลงต่อสิ่งใดหรือคนใดยิ่งกว่าทำนี้เองท่านจึงมักถูกขอให้เป็นหลักในการประชุมสำคัญสาคัญอยู่เสมออีกทั้งการแสดงความคิดเห็นของท่านจะพยายามหาจุดพอเหมาะพอดีในการตัดสินใจเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่นั้นจึงมักไม่มีสิ่งกระทบกระทั่ง หากมีก็น้อยที่สุดแต่ก็ด้วยถือเอาเหตุผลและทําเป็นใหญ่การประชุมครั้งสำคัญในที่ต่างๆจึงยอมรับตกลงกันได้ง่ายและสงบเรียบร้อยนอกจากการประชุมที่ท่านเข้าร่วมวิจัยด้วยดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ท่านก็ยังมีโอกาสเข้าร่วมประชุมครั้งสำคัญสคัญอื่นๆอีกมากเช่นที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนอครวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนอครวัดถ้ำกองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นต้น ที่ปรึกษาแห่งวงกรรมฐานแม้ในสมัยหลังๆนี้ก็เช่นกันท่านมักได้รับคำขอร้องจากลูกศิษย์ทั้งบรรพชิตและครวาด์อยู่เสมอๆให้เป็นประธานคอยให้คำปรึกษาแนะนำและตัดสินใจ ในงานสำคัญต่างๆที่มักมีแง่มุมข้อปลีกย่อยมากมายอันเป็นเหตุให้มีเรื่องต้องถกเถียงหาเหตุผลกันอยู่เนืองๆครั้นเมื่อมีประธานที่ปรึกษาที่เด็ดขาดจริงจังและประกอบด้วยเหตุผลอัตธรรมเช่นท่านเป็นผู้ตัดสินใจร่วมอยู่ด้วยแล้ว งานนั้นนั้นมักผ่านไปได้อย่างราบรื่นทุกครั้งทุกคราไปเป็นที่อบอุ่นเย็นใจแกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเมตตาและเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าวทำให้ท่านยอมเหน็ดเหนื่อยแบกภาระมาเกี่ยวข้องอรับผิดชอบ ในเรื่องสำคัญสำคัญเสมอมาดังตัวอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งวัดกรรมฐานในจังหวัดต่างๆทุกภาคเพราะมีเจ้าสถาคิดอยากถวายที่ดินท่านอยู่จำนวนมากเรื่องการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และเจดีย์สถานของครูบาอาจารย์พระอรียสงฆ์องค์สาคัญสาคัญ เรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยการรักษาพยาบาลครูบาอาจารย์องค์สำคัญที่อาภาษหนักไปตลอดกระทั่งถึงเรื่องงานพระราชทานเพลิงศพของครูบาอาจารย์ท่านนั้นๆเช่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน่นท่านอาจารย์สิงห์ทองท่านอาจารย์สุพัฒนหลวงปู่บุญจันทร์ท่านอาจารย์สีทน หลวงปู่คำตันหลวงปู่ล่าและงานอื่นๆอีกหลายวาระด้วยกันมีตัวอย่างหนึ่งแสดงถึงน้ำใจของท่านที่คอยให้คำปรึกษาและเอื้อเฟื้อต่อหมู่เพื่อนที่เคยปฏิบัติธรรมร่วมกันมานั่นคือ หลวงปู่บุญจันทร์กรมโลแห่งวัดป่าสันติกาวาดอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่บุญจันทร์เป็นสิทธิท่านอาจารย์มั่นอีกองค์หนึ่งมีพรรษาน้อยกว่าหลวงตามหาบัวเพียงสองพรรษาเท่านั้นแต่ท่านให้ความเคารพนับถือในธรรมแก่กันและกันเป็นอย่างสูง ซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากยิ่งในปัจจุบันนี้ย่างเข้าเดือนที่ห้าพุทธศักราช2515เมื่อท่านอาจารย์สิงห์ทองได้ทราบข่าวว่า หลวงปู่บุญจันทร์ป่วยหนักจนฉันข้าวแค่วันละช้อนสองช้อนเท่านั้นท่านอาจารย์สิงห์ทองจึงเดินทางจากวัดมาเยี่ยมหลวงปู่พอขึ้นไปถึงหลวงปู่ที่กุติท่านก็พูดเป็นเชิงเย้าเล่นตามนิสัยที่เล่นของท่านว่าเอาป่วยมานอนตายอยู่ที่นี้ทำไมหลวงปู่ตอบ ไม่นอนตายยังไงคนเดินไม่ได้ทำไมไม่ไปหาหมอคราวนี้หลวงปู่เงียบไม่ตอบว่าอะไรท่านอาจารย์สิงห์ทองจึงกราบขอ น, นิมนหลวงปู่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อให้หมอตรวจรักษาหลวงปู่ว่าถ้าจะให้ไปหาหมอ ให้ไปกราบเรียนพ่อแม่คุายานบ้านตาสียก่อนว่าท่านจะเห็นสมควรอย่างไรจึงค่อยปฏิบัติตามได้โอกาสอย่างนั้นจึงให้โยมพาไปวัดปาบ้านตาในวันนั้นเลยทีเดียวเพื่อกราบเรียนท่านพระอาจารย์มหาบัวเกี่ยวกับเรื่องป่วยของหลวงปู่ให้ท่านฟังท่านพระอาจารย์มหาบัว จึงสั่งว่าให้ไปบอกท่านบุญจันทร์ว่าเดี๋ยวนี้หมอเขามีไปให้หมอเขาตรวจดูก่อนถ้าเขารักษาไม่ได้ค่อยกลับมาคอยวันตายที่วัดแล้วท่านพระอาจารย์มหาบัวก็พาท่านอาจารย์สิงห์ทองเข้ามาในเมืองอุดรเพื่อจัดแจงตั๋วโดยสารไปกรุงเทพให้หลวงปู่ ได้เดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาลศิริราชพร้อมกับสั่งให้ท่านอาจารย์สิงห์ทองเป็นผู้ติดตามไปด้วยเมื่อรับคําสั่งจากท่านพระอาจารย์มหาบัวแล้วก็กลับมากราบเรียนให้หลวงปู่บุญจันทร์ทราบในเย็นวันนั้นเมื่อหลวงปู่ได้ทราบคําสั่งของครูบาอาจารย์ก็ยอมปฏิบัติตาม เดินทางมาถึงกรุงเทพก็มีคุณหมอเจริญวัฒนสุชาติมาคอยรับอยู่ก่อนแล้วเพราะท่านพระอาจารย์มหาบัวเมตตาเป็นทุระทุกอย่างทั้งเรื่องรถรับและเรื่องหมอที่โรงพยาบาลสิริราชพอรถถึงโรงพยาบาลก็มีศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม โปสะกิสัะและศาสตราจารย์นายแพทย์โรดสุวรรณสุทธิมาคอยรับหลวงปู่เช่นกันในตอนนั้นท่านอาจารย์สิงห์ทองจึงได้ยื่นจดหมายให้อาจารย์หมอทั้งสองซึ่งเป็นจดหมายของท่านพระอาจารย์มหาบัวฝากพระอาจารย์บุญจันทร์ที่อาพาธ ให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์หมอทั้งสองด้วยหลังจากหมอตรวจดูแล้วจึงทราบว่าหลวงปู่ป่วยเป็นโรควันโรคในกระดูกทำให้กระดูกข้อสะโพกผุหมอบอกว่าโรคนี้เป็นโรคที่รักษาให้หายได้ถ้ามาหาหมอช้ากว่านี้อีกสองเดือนกระดูกจะขาดต้องตัดขาขวาทิ้ง หลังการผ่าตัดหมอให้พักฟื้นอยู่จนถึงเดือนธันวาคม2515เมื่อเห็นว่าหลวงปู่แข็งแรงขึ้นและแผลผ่าตัดก็หายแล้วหมอจึงอนุญาตให้หลวงปู่กลับได้ท่านพระอาจารย์มหาบัวทราบว่าหมออนุญาตให้ออกโรงพยาบาลได้จึงไปเยี่ยมหลวงปู่ ในห้องผู้ป่วยและปรารภว่าเราเป็นผู้ส่งท่านบุญจันทร์มารักษาและได้มอบให้หมอเป็นผู้ดูแลรักษาเราคอยฟังข่าวจากหมอเป็นระยะๆะะอยู่เราจึงไม่มารบ ก, กวนเมื่อทราบว่าอาการป่วยดีขึ้นและหมออนุญาตให้กลับได้แล้วเราจึงมาเยี่ยมดู เราเป็นผู้ส่งท่านมาเราจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมดทั้งค่าห้องค่ายาให้ทางโรงพยาบาลคิดรูปรวมดูสิเป็นราคาเท่าไรอาจารย์จะเป็นผู้จ่ายให้คุณหมอกาบเรียนว่าสำหรับค่าหมอที่รักษาอาจารย์หมอนาที ขอยกถวายทั้งหมดไม่คิดค่ารักษาสําหรับค่าห้องค่าอาหารที่เข้ารับการรักษาเป็นเวลาหกเดือนทางโรงพยาบาลไม่คิดขอยกถวายทั้งหมดการที่หลวงปู่อาพาธในครั้งนี้นับว่าเป็นการอาพาธครั้งใหญ่หลวง เกือบจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ว่าได้แต่ด้วยบารมีแห่งเมตตาธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือท่านพระอาจารย์มหาบัวท่านได้ช่วยเหลือทั้งภายนอกและภายในภายนอกท่านได้ช่วยเรื่องการติดต่อฝากฝังกับหมอให้ดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษทั้งการเดินทางไปและกลับและ ค่ารักษาพยาบาลภายในคือเรื่องธรรมที่หลวงปู่มีความเคารพในองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งจึงได้ยอมไปรักษาตามคำสั่งของท่านหลวงปู่ได้เล่าให้ฟังหลังจากกลับมาถึงวัดแล้วว่าการป่วยครั้งนี้เราได้เตรียมปล่อยวางทั้งหมดแล้วถ้าไม่ใช่พ่อแม่กุจารบ้านตาสั่งแล้ว เราไม่ไปเลยหลวงปู่ได้เป็นร่มโพ ร, ร่มใสให้สิทธิ์ได้พึ่งพาอาศัยต่อมาอีกเป็นเวลาถึง23ปีจึงได้ละขันไป คราวที่หลวงตามหาบัวท่านเยี่ยมอาการอาภาษของหลวงปู่บุญจันทร์ก่อนมรณภาพไม่นานนักท่านกล่าวกับหลวงปู่บุญจันทร์ก่อนกลับว่าเอาล้วนะจะกลับละ่ะไม่มีอะไรจะเตือนกันหรอกนะกรรมาฐานใหญ่เหมือนกันจากนั้นท่านหันไปพูดกับญาติโยม ที่เข้ามากราบท่านในขณะนั้นว่าตั้งใจมาเยี่ยมอาจารย์บุญจันทร์แต่ก่อนในคราวออกปฏิบัติท่านก็ออกปฏิบัติเราก็ออกปฏิบัติได้เจอกันทุกยากลาบากด้วยกันเอาละกลับละเยี่ยมคนป่วยไม่รบกวนนานหรอกวาระสุดท้าย ขณะที่หลวงปู่ท่านจวนเจียนมรณภาพเต็มทีแล้วเป็นเวลาเดียวกันกับที่หลวงตาท่านเดินทางไปถึงพอดีท่านไปอย่างรีบเร่งแล้วเข้าไปในห้องอาภาตของหลวงปู่ท่านขยับไปยืนอยู่กใกล้ๆทางศีรษะแล้วท่านเอามือเปิดผ้าที่ปิดหน้าผากหลวงปู่ออกดู พร้อมกับพูดว่าวันนี้บวมมากกว่าวานนี้ในขณะนั้นหลวงปู่ได้หายใจเบาลงเหมือนกับจะขยิบตาเล็กน้อยแล้วหลวงปู่ก็หยุดหายใจละชาดขันไปในที่สุดเมื่อเวลาสิ5นาฬิกานาทีของวันที่18มิถุนายน พุทธศกราด 2,538 จากนั้นท่านจึงถอยไปนั่งเก้าอี้และมองดูหลวงปู่พร้อมกับพูดว่าเอาหยุดหายใจแล้วภายหลังต่อมาท่านพูดถึงเรื่องนี้กับพระว่าท่านบุญจันทร์คอยเราพอเรามาถึงเข้าไปเยี่ยมท่านก็ไปเลย ยะที่หลวงปู่บุญจันทร์อาภาพอย่างหนักเช่นนี้ท่านก็ยังคงเป็นที่พึ่งคอยให้คำแนะนำปรึกษาทุกสิ่งทุกประการในวิสัยของท่านแกคณะสิ์ของหลวงปู่อย่างอบอุน่นอยู่ทุกระยะจวบจวนวาระสุดท้ายของหลวงปู่เลยทีเดียวความเมตตาของท่านที่รับเป็นธุระใส่ใจอย่างเต็มที่ ต่อคากราบเรียนปรึกษาของคณะสิทธิหลวงปู่บุญจันทร์ในวาระต่งางๆดังนี้ลูกอยากจันิมนให้หลวงปู่บุญจันทร์ ลงไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชท่านอาจารย์จะมีความเห็นว่าอย่างไรขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ขณะนี้หลวงปู่บุญจันทร์หยุดการรับรู้ภายนอกแล้วเหลือแต่เพียงลมหายใจเข้าออกเท่านั้นและหมอได้หยุดถวายการรักษาใดๆทั้งหมดแล้ว แต่ถ้าจะถวายการหยอดน้ำเป็นครั้งคราวจะสมควรหรือไม่กราบเรียนเรื่องการจัดศรีระศพหลวงปู่และขอถวายให้องค์หลวงปู่มหาบัวเป็นประธานในการนี้ด้วยขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์จะให้เอาไว้กี่วันกราบอาราธนานิมน์ ขอให้องค์หลวงปู่มหาบัวเป็นองค์แสดงธรรมในวันพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ด้วยเห็นสมควรให้สร้างเจดีย์อนุสรณ์สถานของหลวงปู่บุญจันทร์หรือไม่ น้ำหนึ่งธาตุขันยามอาพาธหนักหลวงตามักได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจครั้งสำคัญสำคัญเกี่ยวกับธาตุขันยามอาพาธหนักของครูบาอาจารย์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นคำปรารกของท่านคราวหนึ่งดังนี้พระลูกศิษย์หลวงปู่บุตรดาได้ไปหาเราที่สวนแสงธรรมเราก็ได้ถามถึงอาการของหลวงปู่ท่านว่าแต่ก่อนธาตุขันของท่านเป็นคุณเป็นประโยชน ทำประโยชน์ให้โลกมามากต่อมากนานแสนนานจนกระทั่งอายุถึงปูนี้และได้เข้ามาอยู่สิริราชแล้วเวลานี้เพื่อจะลาขันไปเพราะขันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนอกจากใช้ไม่ได้แล้วยังเป็นโทษรอบตัวอีกไม่มีช่องว่างของขันที่จะไม่เป็นโทษต่อท่าน แล้วยังจะเอาท่านไว้อย่างนั้นอยู่เหรอสมควรแล้วหรือให้ลูกหลานไปพิจารณานนะนี่อาจารย์ชาก็เป็นอย่างนี้ละ่ะเราบอกตรงๆเลยอาจารย์ชาก็เกี่ยวข้องกับเราอีกเหมือนกัน คุ้นกันมาสักเท่าไหรแ่แล้วแล้วนี่หลวงปู่บุตรดาก็เหมือนกันคุ้นกันมานานสนิทสนมกันมากทั้งสององค์นี่กับเรานะหลวงปู่บุตรดาท่านเป็นเหมือนปู่เรานี่จะว่าไงพอเราไปกราบที่ตักท่านท่านก็อุย้ยจับโน้นลูปนี้จับนั้นจับนี้เรานะท่านทําด้วยความเมตตาจริงๆแหละ ท่านยังยกยอต่อลูกศิษย์ลูกหาของท่านเองด้วยเขาเอาเทปเราไปเปิดให้ท่านฟังกันเด็ดเด็ดเสียด้วยนะลูกศิษย์มาเล่าให้ฟังท่านพูดเวลาเทศจบลงแล้วท่านว่าได้ยินชื่อท่านมานานแล้วแหละท่านมหาบวนีคุ้นกันมาสักเท่าไหร่แล้วยังไม่รู้อยู่เหรอว่าคุ้นกัน จะมาเล่าอะไรให้ฟังอีกละ่ะทีนี้เมื่อพระมาหาเราเราก็ฝากข้อคิดไปว่าเวลานี้ขันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับท่านแล้วลูกศิษย์จะหวังชื่นชมยินดีเพราะไฟคือธาตุขันเผาไหม้ท่านอยู่อย่างนี้สมควรแล้วเหรอ hmm. เวลานี้ไฟขันเผาตลอดไม่มีว่างเลย ให้ไปพิจารณานะอาจารย์ชาเป็นลักษณะนี้มาหลายปีถามทีไรก็เป็นอย่างนี้ก็พอดีพระนองประพง์ไปหาเราที่สวนแสงธรรมเอากันใหญ่เชียวคราวนั้นเปรี้ยงทีเดียวอัดเทปเอาไว้เสร็จพอเสร็จแล้วเขาก็าเอาเทปไปเปิดเมืองอุบลเลย เอาไปตั้งกึกลงที่วัดหนองปลพงเลยบรรดาลูกศิษย์ลูกหาท่านมารวมนั้นหมดผู้ว่าเป็นผู้นำเทศไปเปิดเอาใครที่นี้ฟังนะเทศนี่เทศอาจารย์มหาบัวท่านอาจารย์มหาบัวกับท่านอาจารย์ชาสนิทกันมานานสักเท่าไหร่แล้วฟังท่านจะพูดวันนี้นะ พอว่าอย่างนั้นก็เปิดเทปทันทีได้เห็นผิวผิวเผินๆได้เห็นท่านอยู่นั้นก็พอใจท่านจะมาห่วงอะไรในธาตุในขันอันนี้เมื่อเห็นว่าเป็นไฟพอแล้วยังจะมาห่วงอะไรอีกห่วงไฟเผาเจ้าของนั้นมีอย่างเรอท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะดีตั้งแต่ระยะช่วยตัวเองไม่ได้แล้วนั่น ครูบาอาจารย์จะตายแล้วไม่ยอมให้ไปไม่ให้ตายเอาไฟจี้ไว้อย่างนั้นระโยงระยางเต็มหมดออกซิเจนช่วยลมหายใจช่วยลมหายใจอะไรช่วยไฟเผาว่างั้นจึงถูกนะถ้าเอาอันนี้ออกแล้วไฟก็หยุดเผาท่านก็ดีดออกแล้วนั่นคุณก็เห็นอยู่อย่างชัดชัด โทษก็เห็นอยู่ชัดๆอย่างนั้นถ้าอันนี้จ่อไว้อยู่ตลอดก็เผาอยู่ตลอดอยู่นั้นจะว่าไงพอเปิดออกนี้ก็ดีดออกแล้วนั่นเห็นชัดๆอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องของหมอเขาก็ทำตามหลักวิชาของหมอเหตุผลเรามียังไงอักรรมมียังไงปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ก็ควรชี้แจงให้เขาทราบ ควรปล่อยก็ปล่อยสีเอาไว้ให้ใครมันไม่เกิดประโยชน์ยังไม่แล้วยังเป็นโทษเอาอย่างหนักหนาทีเดียวใครจะเอาไฟมาเผาม า, า, มาที้ไว้อย่างนี้ทั้งวันได้เหรอนี่ไม่ทราบว่าทั้งวันทั้งคืนทั้งปีอะไรที้เผาหมดรอบตัวรอบตัวเรื่องธาตุเรื่องขันก็รู้กันอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายก็รู้อยู่แล้ว ก็เครื่องมือใช้เฉยๆมีจิตเป็นผู้บงการพอจิตหดตัวเข้ามาเสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปเท่านั้นเกิดประโยชน์อะไรก็เหมือนกับเครื่องมือเราทิ้งเกลื่อนอยู่รอบตัวนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เมื่อเจ้าของใช้การใช้งานอะไรไม่ได้แล้วนั่นแหละเรียนจิต ให้เห็นอย่างนั้นสิเห็นชัดเจนแล้วจะถามใครประจักษ์อยู่ในหัวใจเจ้าของแล้วพอทุกอย่างนี่เอาศพท่านกลับคืนไปโน้นนะวัดกลางชูสีท่านเป็นพระเพชรน้ำหนึ่งนะนี่หลวงปู่บุตรานี่เพชรน้ำหนึ่งอาจารย์ชาก็เหมือนกันท่านเหล่านี้เพชรน้ำหนึ่งแล้วจะมาห่วงมาห่วงอะไร ธาดขันเป็นไฟนั่นเรายังไม่ลืมหลวงผู่ขาวท่านเวลาท่านกําลังเพียบคือท่านไม่ให้ใสออกซิเจนท่านไม่ให้เอาใสแล้วพวกนั้นก็เอาไว้ข้างนอกคือท่านห้ามไม่ให้เอาใสเราเห็นด้วยร้อยเปอรเซนไปยุ่งกับท่านทำไมทีนี้พอเอาเข้าไปจ่อไปถูกท่าน ทั้งๆ ท, ที่ท่านก็เพียบอยู่แล้วนะท่านยังปัดมือปั๊บปอกเลยขนาดลงปูขาวแล้วท่านจะมีปัญหาอะไรว่างั้นเลยจะตายท่าไหนก็ตายสิท้าทายก็ได้เอฮิปัสโกท้าทายทำของจริงได้ดีผึงเดียวไปเลย จะว่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่มันก็หมดแล้วนะนี่พระประเภทเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งหมดไปหมดไป